มันเ um ็นวิทยาขอยุมันแสดงมันก็เลยเหมาะกับยุทธ์เราจบอาจารย์ของเหมอะยุลยจะไม่หมอวิทยาเรารู้อยู่นัเคยบีบมันใจเรามานานวขาดจริงๆจะเป็นกระจายเพราะควมยุไม่ไดเข้ากอะไรเรามาพอ ทำไมมันแสดงออกมาในกรณีทีโชกโกระทานอะางไรเต็มอรงนี้มันเคยหมองาบเราลองมาดีครั้งหนึ่ส่วนเราเคยหมอราบมันมันรู้ตีกลับตีกลันไม่เคยหมอบาบเราลองมาดีครั้งที่เด็กกระโดดมาแรงกำลังกวามันตีมันนวาน เรื่องที่กทั้งนั้ น, น, นหมาะหมาะนฟ้าที่ที่สองมันติยาวพอตัวแล้วมันไม่ถอยมันทั้งยัน ท, ทั้งคือกั้งเป็นของกับตายตอนตอบชื่อมอมันกับตายกอนค้นหามันกระตายแบบตอนไปเจอกันแล้วฟาดหนนี่กับตายตระนี้มันทำมาแค่มันไม่ได้เพราะค้นหาเหมืนฮา วนนี้แหนะมีคำว่าแท่ น, น, บบ น, น, นก็ก้ไม่ตหนาตายมนนยานันก็ยังไม่มีมันถึงันอะไนะกล้าเม่ดีมันม่า ก, ก่อคไม่ได้ไม่ไคิดค้นหนี่นนั้นมันหอยนะงันมีลกงานเลยโ ที่ไหนมันก็เหยียบงได้ทำงานไม่มีที่มันจะรู้สึกคนแบบนะั้คือทวที่หุ่นนักมวยเขาแพ้นักมวยหยุด ก, กันฮึ่มมนไม่มีทางต่อสู้ได้วขาประยอนนัดกันร่ติกันยุเดทุ้งไม่เคยเร่ติกกับไทยมหมอนั่นก็มันที่เหยียบลงในแหละทั้งหมมันต้องมาถุนใจมันต้องมาเจ็บแค่เหยฮึ่ม มันกียจนมันเกียจแคนถึงใจแล่ามก็คว้าจมันเปอรตมไม่ลืเลยหัวใจม่หลนี้มันลืมไม่ได้มันเป็นจัตธมันังจอะไรนะเออยาลืมไ่าที่จะเก็บหใจสายโลกผมไม่รู้ มันของว่ามันเป็นของดีของดีเนื้อรักจนลองไม่ได้จำลองแม่ น, นละ่ะเป็นจะของจะเป็นจะตายมันก็ไม่เห็นโทษของความรักเป็นอะไรไม่มีสาระมีสาระเป็นแต่สิ่งที่ตนรักอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เป็นมันก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเป็นกล่องอย่างนึนสาระคุณอะไรไม่มียิ่งกว่าความรักความรักเท่านั้นเป็นสาระสำคัญ มันโมกคือโมกตามความรักนั้นโดยไม่รู้สึกว่าความรักนั้นมันจะไนนั้นก็ไป็นมันอิดหนึ่งที่มันก่อมร่างหนักก่อคนเพราะยันคือก่อมคุณได้เสียคนได้ท่างัวโกรดเหมือนกันเอาจมจัวจะตายกันหนึ่งพอใจเกิดเรื่องอารมณ์จะแย่มันยิ่งขังลึกมันไม่ยอมที่จะถอนะถอนง่ายไม่ยอมที่โทษคํามโกรดนี่กเร่งแย่งสิ่งที่ไม่ถือใจ โกรธแค่สิงนั่นแต่มันเป็นใครอยู่ในหัวใจมันไม่ดีนะเห็นไหมมันกล่อมกดมันไม่มาให้เห็นจุดนี้จุดที่จะแก้มันไม่เห็นมันขับออกไปนู่นแล้วเพ่งสิ่งนั้นไม่ชอบใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจสิ่งนั้นน่าเากลียดสิ่งนี้น่าโกสิ่งนั้นน่าเกลียดแทนมันส่งออกไปนอกหรือหลอกไปของทั้งนี้ก็เป็นป้าเป็นตน่นเห็นไหมมันก่อมกดแม่นั่นจะเสียคนได้ ที่เล็กไม่แหลมคมนี่บคนเราเห็นคอดีที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่สติปัญญาตามหลักธรรมของท้นเจ้าเนี้เขาเขาเสอบองัดคงงางขี้เกียจจริงๆไม่เห็นไม่เห็ น, หนพอใจไปหมด น, นกเก่าไม่พอใจหมดไม่รู้ว่าทิ่มนันม่นเต็มครกับคนหนึงเขาพูดถึงไหรหนึ่งไรบนตนหลับสนุอันที่เรียกว่าโมหะ คือความหลับสนิทของสัว์โลกนะจะเป็นอะไรไปพอเราฝึกการหลับทำของวกษ์พิฆาตลประกาศว่าเรื่องทำพิฆาตนี้ดีแล้เนี่ยมันจะพ้นไปไหนหยิมันจะพะยุดไปไหนขนาดไหนวะวัดน้งก็ยอมมันจังได้หา ว, า, วาวันสู้มันจังได้ นี่ตอนพักขานมีกาลังเนี่ยมันเป็นเครื่องเสริมไม่มากจิตไม่หยุเกิดสงบโยมเนี่มันชุงมอยู่ข้างหลกงเห็นว่าร่างกย่างไารงมัออกหน้าออกตาเพราะนี่ต้องตัดทางอาหารโลงเพื่อให้ร่างกายมีลดกาลังลงไปเป็นความบั่นเบาจำดูในม่วนร่างกาย เดินจ ง, ง, งกรมนานตัดีนั่งทำนที่นานขึนมันเป็นการตัดทาดกิจการทางร่างกายแล้วเสริมทางด้านทางนักศึกานได้รู้วิธีได้เลยน่เป็นเส็เป็นประโ์มันก็ต้องหลักในวิธีนั้นถึงจะยากลบากก็ต้องทนเอาเพราะมันถูกเนี่ยใครจะอยากโอ้โ อ, ดอาาัดเาการ้าเป็นทรเดินจงกรมกี่ชัว่วโมงมันจะไม่เหนื่อยได้ยังง เขาต้องทนเนื่องว่าหน้าเนี่ยเขาถึงจะตัวสั่นเทาๆจะเป็นจะตายเป็นไปทั้งกองในร่างการนมันมันก็ต้องไปทนสู้ถึงว่านราที่จะสู้แล้วพอไหมลนะ nah การปฏิบัติการต่อส mm. ู้ที่ดีนี่มันก็เหมาอนเหมืนเหนกล้องลอยมันไปเรื่อย มันมีทาเคยวุ่นวายมันเคยสงบตัวได้เขราวิจกรรมการต่างๆาตสงบได้มันได้มันก็สบายจริงภายในใจเมันเคยวุ่นตลอดเวลาตั้งกต่เรื่งทิเไหลพาให้วุ่นทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรพาให้นี้แต่จิตทั้งมวนร้อยทั้งลอยพาให้นถ้าจิตวันใให้เสี่เสียงเป็นลูกเสือข้าต์เดี๋ย อันี้อารมณ์มนน่าอารมณ์อนไรอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรเราเนาะก็เนี้ยจะเริ่มพุ่งเด็ดว้อนออกมาเผาในใจมันหาความสุดได้ยังไงจิตมัก็เป็นเร่องละเหมือนกังหันเหมือนอยู่อยู่ดีเรื่องกำลังความพัดฐันที่เหลือหนีรามต่อสู้ตรงนี้หักคงจับความเหนือ น, นี้มันให้สดความสงบในขั้นนี้ก่อนไมต้องต้องหลักมี มั น, นหนักะควรในบ้านอั น, านขาขั้นนี้มันหนักไปแบบหนึ่งมันกิสงบได้แล้วรู้สิตสบายทีย่เพามันไม่มีเหนื่อยนุ่งมาก็ถึงไปเนาะเอาต่อสู้กันไปเรื่อยๆสงบเป็นเห ม, มือนไม่มีอะไรในตัวมีความเย็นยามใหม คนเรามันชอบทำงานอยู่แล้วหนก็เตะดีนะเรื่องปิทนาที่นที่เยเล่าใมันสบายต้นทัาง้านทํ้ทางานนี่เือี่เป็นการทางานพกระเทื่อนเรื่อก็หลอกตอนนี้่ให้สมหวัสบายหลอกย อ, ลอยู่สบายภายนตะิดนี่ื่มันคือสุดยอดมันใหญ่เล ทาทไม่เคยเลออกมาออกคินออกคเหมือนกน่าล้าิเดตลตัวล่ากันมาล่ากมาต่วะาหน่ปัญาออกนั้นกคู้เสียล่ากันเเดตตวละตัวตัวมากทพัตรนั้นบาบงถึงตายตน้เป็นม่หก็เค ถึงขั้นนี้ก็ทุกข์อยู่ขั้นนี้อนนี้อยู่ขั้นสุกตรงนี้ขั้นสมาธิติดสงบแล้วมันมีพุ้นมีถานสะดวกสบายตอนนี้ต้ติดสุกึ้นเดียวเท้าต้องถมตดสงบนี่ค็อสุขที่ม่งากลำบากอย่างนั้นนนเหน้าความว่า ออกาทางด้านทำงานทีนีแบบนัไปแบบโรงงานทำงานเด็กงาน้ใหญ่เยพอถึงคันนี้ทนงานผู้ใหญ่ทำงานท่าก็ผิดท่าทำงานทีนี้ผูห่มาใส่ตอเกิดผิดเกิดผิดที่คลายดูเรื่องต่งๆสิ่งที่ผิดเคยผิดเคตัวดันเขาออกาใจแล้วมับอ ทุบเทุบมัทุบเป็ขันขันเมื่อทุบจะพูดจะออกทานทานในใังใใจขึ้นมาได้ไหมนี่มันคาดจิตไม่ได้มีแรงบําเพ็ญไปจิมีความสงสมเรื่อจนจ้ตเลือ่อนออกไเลยนิดมัจิมีความจุดมากสะดวกสบายไปด้วยมันกลับลงข้าวถํามันเป็น่าง น, นี้มันวุ่นทั้งวันทั้งคืนทีนี้มันุ่น ม, นมุ่นความเครียดอ่ะคับไมุ่นมันือ มันมุ่งดความเพียรดิ้นเพียขุดค้แยกแยะสิ่งต่างมันมุ่งดูความเสีรเพราะความรู้เดิมมันตอนทั้งหมดจิตหดขาดคาไว้หมดทุกชิ้นทุกอันในเนื้อในนันอวิวัตทุกส่วนไั่ว่าเป็นเราเป็นของเราของคนขงเคยของมาของอีดามาวนทั้งนั้นในเนื้อของจิตหลขาดคาทั้หมดนแล้วมันจะจับจอมทั้งมวลนี่ที่ขาดได้บัญหาปัญหา เป็นของจริงทีายไปจนกระทั่งรู้แจ้ห็นจินในส่วนใดแล้วมันก็ก่อยล่อยปล่อยมาถ้งมาลบล้างความจำต้อนนี้ออกคือพอรู้แจ้ห็นจิงเงี้ยเดี๋ยวลบล้างแล้วหรือว่าชะล้างแล้วควนจริงเดินขึ้นมาดีขึ้นมามันกปล่อยของจำต้อนมันถึงปลอยไปปล่อยไปรู้ดี แท้หมดทุกส่วนทั้งร่างกแม้แต่จิตก็ไม่เหลือนียมันจะเ้าหน้าครอบครองการที่จะบุกจะเบิดจะถึกก้อนผู้เสียที่ตายให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมของโลกมันเป็นเป็นของเล่นเมต้อไทงชีวิตเขาแหละเพื่อความสุนในการการทู เข้าใจแล้วผมก็อบงานที่ยังไม่เข้าใจงานที่ยังไม่รู้มไม่เห็นงานที่ยังม่อยู่มากงานแค่ืพียงมันก็ต้องเดินมันไปนะทำไปมนันก็ต้องฝึกนี่กับคำว่างานกระเบาบางไปเรื่อยๆมันเข้าใจไม่ได้ที่ความนั้นเป็ความคาดคะเนอันนี้เป็นความจริเงเวลาดำเนินดําเนินตามความจริงมันจะสบายเบาบาไปเรื่มยๆไม่ได้เยอะมี มากนอยมันมีแต่ตองทุก ด, ด้วยค่อการบการต่อสู้กันประดิษฐ์กำลังคนจ้ต้องตวเนี่นเป็นความมันมม่นมั่นมีศรัทธาเาสียกล้าสามารถมันก็ต้องเป็นทุกอยู่ด้วยการจะเก็บตะไครไม่ไเยลยทุกทุกข่เราลาดแล้วเราขาดแล้วนี่เรามาตืนน อยากผิดละเอียดก็ละเอียดมาเทาไมันก็่นวายมันหาความสบายที่ไหนจะอยู então, I mean, hmm. ่สบายสบาค่อยเป็นค่อยายามันค่อยเป็นค่อยไไม่ได้เพราะเนการมันบังคับให้ค่อเป็นค่อไปไม่ได้มันก็ขมิ่งไปเรื่อยเรื่นงผู้หญิงขาดสมบัติหมดจับหมดใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่ต้องบอ ถ้าตีปัญญาที่ป็นธจักรเหอนที่อยู่ที่วันอยนี่เขาเรียกตีปัญญาเขาจะไปสู้กับอะไรหมหมดสี่งที่กันข้าสึกในการต่อสู้กัญญาที่หมดในงหาลนี่ไม่ต้องหมดแลวอะไรที่จะมาฟุ้วกระอีกจริงก็มียีิเดียอย่างเดียวเนี่ยมันรู้ชันอ๋อมันมี้ีพิเดียดไอ้นั้นโดนอนกขนโมอย่างน่าขี ม <c oughs> มาไดสมบรทุกอย่างทุกเด็กยางนที่อยาการเขาอยู่ากางที่อยาผู้ใหญต้องที่อย่างนี้ที่ี <c oughs> ่หมดแต่ไม่มีอะไร อ, อไม่มีอะไรไมาควที่น้ใหญ่ทีนี่าแต่ขันอยู่ๆอยู่ๆอแค่นั้นทนี้มันทำไมทราบและชัดยังไงวะไม่มีอะไรควนใจนอกจากที่ใหญ่อย่างนี้เทาั ไอ้ที่ทำงานขอหน้าที่ไปยังไม่ต้องหอในรออะไรจะไสู้กับใหญ่ไปแจ้เหนการที่เวลาที่อยู่ที่ทำงานมีความนุ่งนี้ไหลหยดกาแฟมาแต่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นแบบเลือกกาแี่เป็นต่างกันให้ปฏิัติีควาต่อนห้ไม่หับคที่เดียวยาวย่างั้งมัน เคเดือด่ายมัาความปดตายแล้วก็ทุ ก, ก die, ที่แฝงมาผิดแมากิดความปตาไม่ทางพิจรณเแยกหนึ่ง Ryan, เพื่อเห็นนี้น้าหนักของการักันนั้ความทุกทั้งมวลคือทุกมนเพื่อคเพียงเพื่อแช้ผู้เหล่นี้นจะทุกขขนาดไหนมันมีทางนี้ติดั้มันมีเวลาจะสิบนทุกะทุกที่เราจะทุกข์เากัน เกิดายนะแต่แขนขาประมาณได้ๆมันเท่าไหร่น้ำหนักมากขนาดนืดเยื้อขนาดไหนบางที่ก็ต้องเคื่อนี้นม่ดื้เลยะอ่ง้ก็ต้องดพูดมาแล้วทุกเ่อกอทุจะให้ทุกอ์เพระีเดอเดืเอาไปทุกพรต่อสู้ที่เดเอจะมีทา ง, งจะรอเสือดไปได้ อุปกรน์มออุปเดียรเดียบอย่างโรงงานนี้มันหาทำออกไม่ได้มันต้องคิดมัน่ากินน่านให้คนเหนียวความเปรียบมีระนาบอย้่ความอดความทนความซักควาหยิอย่างต่างเพราะที่เดียรไม่เหนืยวทำม่อกงานถึงหยิบถึงเป็นก็สบายอยากให้เดียร์มีนนมมออแซมท เนะี่ยผู้ปฏิบัตใติดสอนต้องดูดูจจปูทางนั่งทางำตรงน้ำที่มกิดมเนี่ยแต่ขนะนักที่กดที่ฉันมันเป็นยงไมันดินมนิมันดิเป็นยังไงบ้างมัอะไรันัน้นมันั่งทีงง่ที่ะเติมมากับพร้อมกระตางนมี ความเข้าใจอมันื้ออ่แชร์ไม่ได้อันนัาอ่านมันปฏิวัติอย่างการเป็นสองสองหนักเกิดอากาศตกที่เดียวมันเท่ากันเท่ากันตื่นตระหนกใจกับที่เรื่องราวที่มันจำความลึกกความเลื่ก คือเป็นแคมุมาแล้วมันคือขดประมาณนั้นคามค่้นจความความค้นจั่ามามขอให้มัี่ักปฏิบัติเรามีคนทำวล้วก็จะได้ต่างๆอย่าอยาเสาคมคความคุ้ต่างๆอย่าด้อยากดีอยากงอยากทามีสิ่งต่างๆอยากทำในสิ่งต่าคิถ่านมาแล้วคิดไคิดไไม่ได้ยินไม่ทามาแล้ว บังคั้งมันไม่ดีเอาให้มันดีน้ององถ้าเสียดายสิ่นี้ดีกดเ่เสียดายมาเสียดายยุทธิ์เสียดายวัตจักรเสียดายคามเกิดกั้นกาที่ได้ความที่ความน้ำบัตรว่ากายย่ำดีคงดีสิ่งนั้นหพะนั้นเสียดายเสียดายอะไรขนาดไหนตัดมันออกที่เกี่ยวเป็นที่ต่อผู้เป็นผัดผิเป็นผู้ต้านทานดิ่งพราความเสียดายเบลนี้เ็เรื่องของดีของหไม่แทบมารเนี้ย ตามตายแต่ทางไหนที่เดือดตามแต่กว้าประมาท่านั้นพอหัมือกิ่ตาแหน่งามทางเท่ายังไงก็ต้องกว่าออกมาเขาลงไปเพราะขาดที่นนวทความรจรนเาเคยคิดมาล้วตั้งแต่ขนะตื่นนอนขึ้นมาเราพูดปัจจุบันในวันนี้คิดอะไรบ้างได้ผลไหมหรือว่าเราจะคิดอะทําไมยไม่อยากคิด อนี้ไปขึ้นมาแล้วพานั้นมันมีความอุดพอใจความเทียรสองสามประโยชน์อยจะตายมันจะผลดีกันหน่แล้วก็ทำว่าจะตัอพื้นที่อื่เมื่อไม่ผนดีก็ปลูกใหญ่ยิงไปเรื่ๆในโลงเราในโลงความเพียรนั้นเรามีเตจี่เขาจะทางานตลอดหาทำที่ไหนมาเป็นมากเราไปเลยนี่ต้องคิดนั้นนี้ สกิจปัญงาเขาสอนอยู่แล้วควาิดใจคนทำมันแปกแขนงกลายเป็นสมถุคุณยิ้มรันตลอดรันตายั้งกลาเป็นสกิปัญญาของหขาสอวลายการแทนดิบยื่นให้ครับหรว่าทำทั้งรุ่นสิจปัญญาทั้งรุ่นั้นี่เราติดแก่เลยเราจะเห็นสิงใดสาระสำคัญยตัวนี้แหละในโลกนี้เอาตัวตั้งแต่เขาทุกเราทูกข์แต่ทุกข์ามมาอยู่แล้วทุก ใครเป็นพูก็เราเป็นผู้เองมีเาราจะแจรกกู้ปฏิบังิงานเราจะไปสอนผู้ขาย ค, คือวางการยินยอนการให้ว่าไม่มา ส, สอนอธิบายวิธีการต่หน้าที่ที่ ท, ทาเป็นยอดของเราเองมีความั้งใจตีให้นีจิตใจตัาาตดสั่งสาขาตรเวสาขากระตาทอาเพือนเป็หน้าที่ของ่ารทั้งหลายจะต้องทำเองผมวาทุ่เจ้าั้งหลายนั่นเป็นเพียผู้ที่บอเแนวทางเั้งหลายใหย้มา อาจจะมีพงโนนาโถานออย่างนี้บรรพุวาจันคือมนสวนที่ขึ้นหน้เนที่เป็นิสยนัยของคนก็ต้องอ้อนให้มันเต็นเป็นอรู้ว่าที่เป็นิสัยของเราที่เป็นหน้าที่ของเราเป็นอปาเป็นนาโถของเราแผลเป็นงานของเราแผงานบพุาวาจาันท่านทําหน้าที่ของท่านเนี่นอยากจะ เจ้าท่านมีความเมตตาขนาดไห น, หนท่านก็มาสามารถจะมาถอดถอนที่ดุจสังเกตมาแทนใจให้เราได้ถ้าไม่ใช่ความเคลียรของเราประโยชน์พยญญาของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองนั่ต้องคิดอย่างนี้ในนั้นใน น, นั้นยิ่งติดหาความสงบกันได้แล้วไม่มีความปุถะเราดูก็อยู่่านงนั้นดูม่ดี มีเสียบมีเห็บมีผนิตอยู่แต่เรื่องลอยหลัก่อยเพราอาจะไปติวไปจำติดลมยันเถือะอารมณ์ยังเหล่งเขาก็จีนก็พัดผันเหียวมันกีนมันจัดนะแรงวันเช้ามีร้อนลงที่นั่นที่น่นก็เคยคุยเหมืกันฟังแล้วปวดคำนี้นี่สิว่ามันผิดปกติ คทั้งปั่นมันไม่เหียวที่นะถึงความสุขจัทุ่งโลกการกเลังนี้เร็วถึงหมอกอย่มงนี้ก็ไม่มีต่ำอี้มันหดเข้ามาชอบกดมันก็เตือนหลอกว่าจะไม่เยียมเท้าวันต่อมาการมันแสดงออกมาซึ่งเราไม่คาดหมานี้มันจะเป็นกระไร หมดเข้ามาดเข้ามาหมดเข้ารชาติเมชาติไลอกทังายในวัดก็หมดไปหไปเอ้ยาเป็นน้ัามับผิดอะไรนี่มันมีที่สาร้าารมาคุณมาชั่งเขมาร่างกายมันนั่จะหนดไม่ค่อยรับผิดชอบก่อนอ่ะทำไมเป็นแบนี้ทั่งจิตเขาเปนมีการแสดงว่าจะออก ก็ออกจากโลกนี้หมดพลัง่าจจะตายไปต้องเห็นเการณ์อะรเปลื่ยนแต่ทำไมกระแสจิตที่เคยเป็นมานั้นมันถอยตัวไปนปลกทำไมจิตไปที่ไหนไปเอาอะไรเป็นห่วงเป็นเพื่อนไม่ยอมรับั้งนานวางก็มีจิตทางวัตถุข้อที่เป็นหน้าสิงก็เลยมันยังวางเข้ามาได้ตอบเข้ามาได้มีจิตหน้า อนีเอาเ่มาสังในถุกล่องลงไปอีกอันนี้ก็นทอ่แบบองกัรทจะทำ้วก็ใส่่องเ็นเครื่อง่เลยนะน้กนอื่ันน้ะนคลีปคดเดีอดมันก็ไปได้สบายอย่างน ใื่ื่ข้าต่นืข้าจม่อถึง เ, เมเน็ดหน่อยนี่จะนอนไม่หลับยิ่ยงที่จะฝันก็ไม่ตื่นเป็นเนื้เป็นหน่ยนยนอยถ้านอนไ่หลับนะถ้านอนไม่หลับนันตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนาะมันก็อยากจะลุกเลยนะนอนมาหลังนี่เป็นสิ่งที่ทกมาร์ทมากของบใบ น, นี้กับโลกอันนี้ มันเป็นนะมันก็ไม่มนแสดงทำอะไ ร, รแต่แค่มันนอนไม่หับนอนตลอดรุ่งมนันไม่หลับไม่ขั้ น, นได้แต่ข้างดิจิตไม่ดิจิตกุ้งข่งคาคันไปไหนรู้กันรู้กันอย่างนั้นทางวันจิตความกุ้งข่างที่เทียเท่ยวเสียใจขึ้นนั่งมุ่นนี่ไปอะไรมันมีอะไรคลายประสาทนอนหลับม่ายๆการเรียนโลกภาษาแต่ไม่เป็น คันนี้นะขอมันเยอมากน่มันพับมันช้างไว้แล้วก็ตีมันเนั้างนั่งนีเพียแต่รนี้ก่อนหนึ่งแวเพไหนก่อแล้วที่อยู่เป็นสว่างที่นวันนี้ก็สว่างมนคาหูคาตาที่สุดี่ดูอันนั้นก่อนี้ประชาคนมาส่งข้อเรื่องอนนี้อันจาหน้า ถ้าตั้งแต่3โมงก็มีสมแสดงกมนันสุกอ่าก็ถึงมาบริเวณเขาคือมาทีเสียเป็นควาสุ้นัคน้นามาห้ขนว่าขาต่อนจันคือเขาต้กเอไปียู่อก็ไม่ออก3ก็แสดงขึ้ น, น, น ง่ามันคืนมันก็นอนไม่หลับเลยมันก็คลาดหลับมันก็แดง่างั้นนะมันไม่ไดแสดงรูปตาแดงมากแต่ผลที่ันจะแสดงมามันทำให้ออกไม่ได้เลยนะมนอนไม่หลับยูยาที่เมเย็นทีตื่นอยู่ที่หมอเขาให้ยูยาสองมูไปหกทุ่มมันยังหลับไม่ได้เราเรามาคิดยูยาแต่ไม่ถึง หมคทุมเลยป็นเลาหมดทุ่มครักาจะกินเลยกำหนดคือหมอสั่งไว้ั้งแต่ตนี้กอนเพะอเขาบอกว่ากินแล้เราแบบเวลานนกินแล้วมันหเลยจนกรทั่งที่หมดทุ่มแวหมดไม่เลยมันกินอยู่แต่หมดทุ่มเลยว่าที่วรามันหมดมันก็เท่าเดิมยาเลยไม่มีความหมาย มันข <educ> ้าันคุกคิกคิกันตั้ง่คอยฟังในทั้เย็นตลอมันจะรู้ในคืนมันอนว่ในทั้งเย็แบกันข้วนี้ทุกสัตว์ทสังกันั่นแหละแมอ้าวตนนี้มันจะรู้ในคืมันต่อการาวต้องถูถ่ายไปเห็นถึงตลาดเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันกระนู้นถ้าไม่เห็นคงอยู่ก่ ไกลใหญ่หนีหรือมันคิดนะธรรมนานะผมก็ไม่ถ่ายพยินตลอดไม่ถ่ายมันจะทนไปกะเกี่ยวจะกาไปทาข้านมันตรวมีลมมีไฟมันก็จะเห็นคนเห็นว่าก็มีเกิเรืองมันทนไปหาก็ทาหน้าอะไรมีเข้ากองไปหิ้วเดือบังคับเรา เรานั่งชันให้คนเห็นมาราเนี่ยคนมองายข้าอยู่นีอยู่นกานี้มันือกระชาอย่างนั้นเขามองเห็นี้เอานีต้องไปมีงานนั่งบันั่งมันไม่เคยมีความง้อความง่วงนะกลางคืนไม่นอนทั้งคีนไ่เคยง่วงเคยง่วงนี่มีกระอองเยอะๆหนวก็ไม่หนาวแกเอาไปถือเงกับ คณกรรมการเขารออยู่แล้วเนี่ยว่าย่งไรก็ต้องรอคุณสารเรนั่การมเรออยู่วะพอผมลงรเขาก็มาบอกเลยเออท่านธรรมมาแล้ดีแล้วนังกรราอยู่รานไหนตั้งถึงสลสตังายตัวกนั่งอยู่ลงแล้วก็ข้าวแนอ่คุถึงารเองกัรเรงกรารองตปูที่ส ทำไปดีนี่คนที่ทำประตูที่ดีๆแต่เป็นคนจนไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรๆทุอย่เพราาตองายเิทำต้องจ่เงินแล่เรไปน่ายงนึงินหลอสามแสนสงสามสนห่งขาดสองแสน ให้ใจแว่าอย่างไรอพิจารณาการธนาคารแล้เรื่องเงินธนาคารมันหนีหลังจากนี้ถ้าเวานี้มันไม่ไปแะแน่ให้เอาเงินสอวันนี้ถอยจะให้ขอให้ยืมี่ไหนเพื่อจะซื้อทุนเงินทุนทองไม่ไหวเขาเอาอะประกวดอะพวกนี้คือิ่งที่เราเคางวัน ทางนี้ทางวด่ััี้รนี้น้จจลงนนไละรตหาที่งออเนะมดยนนพ รถ ไ, ไกเป็นนั่งบนบันไดนั่งเลย <c oughs> เป็นเสกยาัส่ผ่านาเพราะเขาลุ้นวลาเราไปเสกยาไหลมาจนเราต้องมีสมาธิมาพักไม่แล้ ว, ลวขึ้นเลยนะไม่ขึีย่ยาเลยทำตยยัวใจไม่ได้่เสกยดีว่าไปปรนไม่ได้นอนฮึ่มฮ อาคารคีเดือนหนึ่งพอไปถึงนั่งบ่ายโมงขึ้นพีตื่นบ่ายสามโมงเขาก็ปีละคังอามแบบนัก็ไปปลัง่อเระพูดแต่นั่งกมาเลยคือรถก็นั่งอย่างน้านคผมไปแล้วมีไง วิ่งหน้าเดี๋ยวเรื่อการออกกงทนน้อยนิดแม่แต่น้อยกว่าไม่มีคำว่าร้องหนอนไม่มีแต่ความอ่อนเพนอ่อนเป็นไปเป็นอะไรที่ดมากเลยนั่มันเลยมันท่านตั้งผูกบางคนหน่มขนาดนั้ การเรื่องความดัมนีอันนีแเยงันดยน้นี่ตด่ตัดนี่ตดนี่ัั้นานนี่ดเองนี้จะขอมเลยก่อนเพาะ่อีอมงาเลย อยู่จะตายไม่เทเดิมเหีงิกนือ่เรื่องนน่นอีกอไหนน้านนี้อะรดีกว่าตาดีดนเหมือนกันนองกันนี่ มีหมดเลยคืั้ตทมีแในปัจบันนานเพราะความเทียบกนขอร่ามันไม่อ่อนไหวเขดูว่านี่ไจคุณท่นองมีการสุขคอมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีกำลังงนี้วย ันต้องทือกตีสัมผสฉนต้อันต้องกาลังันจ้ากเลยนะังที่เัดตั้งไปองนันอยแรงนากาที่เป็นักเป็นที่จะให้อาจจะทำรัน มีน้อยเป็นที่ิดเรื่องี้นัน่นเปการดำินจิดใจมันไม่มีแม็กมันลำบาดมากจริง น, น, น, น, นต้องโงจินะ่นจิดเป็นกายกหน่ำนั่นงลำบาดเร่องเนืความเนี่ยคือว่าการเลื่อนหรือนั้นยิ่ทงทำความราคแท้มากขนาดนีแต่ก็ไม่ว่าถ้ามันมีจิตอยู่ อ, อย่างจิตว่างากับจ่างก็ร่างไม่ต้อั่ ท่านใส่ผางเดียวะจ ะ, ะไออจ ม, ม, าา ม, ม, ม่มันจะทะไรอ่างเงทห็นไหที่ท่าตอใสนอัดกลางใส่นี่อัดกานีมงวาดนดคนแต่เามันน่จะมันแตกเขามันจะเพส่อขดอหารนีดไม่ได้มากอ่ะอย่างนั้นอ่มันพอใจอดอีกมันเป็นสามีใส่ ปัญญาขั้นนั้นมันอุตหามันยืดและลเอียดลงไปนะมันเซ็งละเอียดละอปัญญาขั้นมันเรีต่อยลาเราอุตสหามีแน่วกัรพิจารณานันัสับนี่งสิน่ค่องหลนอนาสองทุมโงสามทุ่มโมงก็พอการอุตสหามันงนอนมากฟังทวันก็ไม่นัว มันเป็นนิสัยเรื่องเราทีเป็นมีข้อต่นเานนั่งเป็นที่จะใายเขาอุ่มากวันหน้ามันท่อมันเสียความพอใจนี้ก็คนเอาไปนี่ท้อะอามคาะใจมาท่านลามนม่อย่างนั้นมันทออมันจะดมันจะดี เนนัแดนมันอาจาร์จริงจรินะมันดมันทดสอบนี่มันว่างเอะมากมากจริงจริงว่างเยอะมันไม่รูอะไรเลยถึขั้นแบว่าแต่มันยังไม่ว่างตัวเองอันว่างส่งไม่ไมันยังไม่มาที่นี่เลยมอง รอบภูเขาเ้มองตาพอเห็นเป็นเงาเงาจะจิ้มเท้าไปหมัแผ่นดนที่เหยียบย่างไปมาเนี้ยมันหนาขนาดไหนแต่ดินนีเท้ามัน ว, ว่างไหมดนหัวใจมัน ว, ว่างจริวงจมันเป็นงงงงเงาเงาไปแล้วมันเหลือแต่ควา ม, ามเศราเออในตัวในั่นทีนนว่าวิทาตละเอยียดขนาดไหนดี่นั่นแหละตัวอิชาตนะ ถขนาดมันมันไม่ถึงขนาดนั้นมันจะเป็นจอมของใจโรคได้ไหสามารถปกครองสารโรคให้หน้าหน้าเกิดเจ็บตายได้สำคัญนไม่ได้ที่เหนมันขึนาดนั้นถ้าปีปัญญาก็ว่าขั้นนั้นแต่แค่มันเป็นองค์กรของมันได้าันงัดยังต้องหอนมันก็ยึดมันไ้นี่ที่เนี่เหยียบข้นอยู่น สมาธิงยนร่างหลังเราเป็นมะเอียอทีเดียวทำงานคมอันมากถ้าเ็นปัญหาขั้นไม่ได้ขั้นนอนใจแต่ทําไมมันมีไปถูกกล่องถึงมือลําไที่ม้องไปติดต่อติดต่อใส่แล้วก็ตัดมืร่างกายม่สบา มันงงๆมีแต จ, จิตมันเศร้าๆจ้าครอบแต่งเดียวพอหยุดลำพึง่างนี้แล้วมีวจิตนิ่งอแต่ว่าพิจารณาอะไก็ไม่ผขึ้นอาเแอผลขึ้นมาคู่ต้องจริงนะแต่มันไม่มีทางจะแก อ, อของมันงงตะเพื่การที่ที่ผลทำงานที่ผดขึ้นมาน่เป็นการบอกโดยตรงนะากับ ัารที่เราจะยืดต่ตางๆนันเป็นหลักมันมนั่ยืดไม่ถูกมักลับมองลยเลยหนยะุดขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมองผู้รู้อยู่ที่ไหนหง่ายเลยนั่นแหละที่ตัวพวกชัดที่สุดจุดต่อมันนั้นก็อย่างคูรู้อยู่ที่ไหนมันอย่า น, น, น, น, น, น, น, นี้นี่นะแท้่ยมันต้งไม่ดูบอกชัดๆเลย มันเป็นจุดของมันอยู่นั่นน่ะจุดสังหารภาจุดสว่างอะไรต่างใช่จุดอัศจรรย์มันเห็นอัศจรรย์มันนี่กระชี้ตรงนั้นแต่แท้ที่ขุดขึ้นมาก็บอกไอ้ตรงนี้แต่ต้มมันถือออกมาไม่ได้มันงงนะจุดยังไงสองมือมันว้าเลยดูใช่รู้ไหมไปข่าวยังพูดหาโครงการนี้ว่ามันกำลังตัดผมมัท่านก็ใส่ถงเดียวนะมันจะจุดไหนตรงไหนก็ต้องนั่นวางลยนี ทนั่ต้องนั่นวัญแหล่นมันดินั่นแหละมันต่อมดิั่นนป่าชาลุ่มอไรอยู่อีนง่ะป่าชาของจัดลู่หมาจัดเปลือกงานี่ยังไม่ยืมมาถือเลยนะว่าท่านั้นมันพังยังมันเริ่มแต่ป ah ้ามืออ้อท่านั้นอ่ะกลัวนี่ไม่ดีกลัวมันจะพังในขาดนั้นเ้วยซ เรเทียบดงข้าธาิคุณที่เฝ้าพระเจ้าก็อยู่ในยานนี้เหมือนกันเราช่วยแน่นอนเลยเพาไม่มีที่พิจาราแล้ ว, ลวอไรตหน่แล้วเปิดอกมาเหนนี่สั้นัออนน้ น, ส, น, าานสั้ปัดสั้นพันยติดพันกระดิันรกกอย่างอยนงนีุอย่าสนกบเรื่อนี้นะเดืออดมาแต่เคยาถนั่งอข้างล่างเข้าๆพะเจ้าฝนตกนะ อยู่ใต้ผุ้นพระรันตะวันเดือนฝนตกเวลาน้ําอยว่ามันมาจากสาคาทําไมถูกน้าอยู่ที่พื้นทั้ทงมันตั้งเป็นต่อาเป็นรองขึ้นมาแล้วระดับรายแล้วตั้งข้นดับไปยแต่ต้องมาเที่ยบความหาความเกิดคําดับอของถ้ำฐันไม่เกิดวมับไม่เกิดมาจากไหนมันดับาาเพราะน้ำมันมทบกันพื้นกับ น, น้ำข้างบนกับน้ำก็ทับกนัน ก็เพิ่มขึ้นมากลัากดเงินั่งไรฟองน้่นหลักไปหลักไปไปเป็นนั่งทํางมันอหลักเยมันจลย่อหนาไหนดีหน้ังค้างความผิดคากุ่มไมกป็นไรจะดีม่นไรจะดีไม่เันไรยังไป่ามาเทียบกันพราทำกันดีไปถ้าเราบังคัที่ตรงนั้นเสียพอฝนหยุดถ้าเรากลับไปดูึกแล้ขึ้นไปดนถามไม่ได้น่ไปทุนถามอะไรกัน มันนรพามันผลักพอยมันก็มม่อมันตกหนังคนนักรเวลาผ่านไปแล้วมันก็มาถึงโท้โห น, น, นี่มันกลนนนนนกับเป็นการเหมือนกองที่ความทั้งกองที่ว่าอาจารย ฟังมางไกลปไหนกับของจริงของปลอมอวิชามันต่อมันแฝงมืติดมันแต่ไปเห็นของปลอมนั้นว่าเป็นของจริงมาได้ไปติดไพันอยู่นั้นค้อิงอยู่นั่นอะไรอะยรรักษาอะไร่านั้นยื่งกองขี้ควายนั่นพะนั้นมันพังไปทลั้งนี้แล้วทีนี้อะไออจรรย์นี่มันเทียบกับกองขี้ควายเมื่อเทียบกับธรรมชาตินั่นแหละ นีรมชาติที่มันที่ถูกไอ้นี้ขอบไว้นะพอที่จับจ้าไปเจอนั้นแล้วอันนั้นเป็นยังไงที่มาว่าอันนี้เป็นเหมือนกองขีดฝอดทองที่มันมันต่างกันขนาดไหนพูดถึงถ้าเราจะเทียบวับถุงเป็นเ้มือนทองคำตกั่วมันต่างกันขนาดไหนนี่นและเราไม่เห็นงานนี้ เพระนั้นการะไรปรบมนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นโอ้โหอ้โหความทุกข์ใจขนก่อนนี่เลยขึ้นก่อนมก้นกอนนะฮึความน่าเบื่อก่อนอ้นี่ข้ก่อนแล้นาทยัง มันจะเป็นเนี่ยมันก็คือมันมันล้ำกิจกิจกากนกับทํลายไม่ได้ไม่กินเยอมันเยอะว่าเป็นศพเยอะว่าเป็นศพคือมันเอาอันนั้นเป็นเป็นหลักเป็นเป้าหมายการลํำพุออกมาเพราะมันมีเช่านิสั ตามความละเอียดของที่เอ no, ียดตารเอียดความละเยเมื่อว่ามีสายมันต้องมีเศร้าทีอยางละเอียดนั่นแหละสติปัญญาขั้นนี้ทำไมมันจะไม่รู้มันมีลักษณะเปี่ยนแปลงกตามความละเอียดขึ้นมามันก็รู้แต่มันยังไม่สรุปใจข้มาท้องยกอันนี้คือมารังผึ่งดล นมีไเป็นได้หลายอย่างนะครัเ be ่หรืว่าสุขหรือว่าทุกข์คือมัสุทุกข์หมายถึงอันนี้เนี่ยตามทาหุก็สุขเอียทุกข์กทุกีรือว่าชอบองหือาสายมันเป็นได้หลอมันนนต่ดทั้งนะท้าจาอะไรเข้าที่ ที่เดียวก็พุ่มาอีกอนั้คำว่าโผงใสก็อคำว่าสั้นว่าสุกอยคำว่าทุกข์มันพขึ้นไปหมดได ป, เ, ป, เ, ปเวลาเวลาจิตหยุน่พุ่งขึ้นมานนั้นยังไม่พาา ล้ำพิ่เได้ยิดหนึ่งอันนี้เราผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนคนบอกน่นและขึ้นมาจากนี้ทาทั้งสองนนนี้เป็นอนัตตานึกว่าสรุปความหนึ่งเป็นอนัตตาจริงๆหนม่งเป้าสองหน่อออกมาจาก กลางนี่ก็ว่าความมันตกอยู่เลยเพราะว่านั้นมันไปสมบูรมากสุดทุกไม่ดีสองสองมองก็ดีตรงนี้มันก็ออกมาจากตัวนัน้นตัววิชานะเอ า, า, า, าวิชาจะ่เหมือนกระดาษมะพร้าวสุดทุกจะมีเหมือนมะพร้าวสองหนออ มันมันค่ามันเป็นทั้งหนอ่อกั้งกลางแบบไปข้ขอขาง เ, เป็นลักษณะอย่างนั้นนั้นที่ไม่ได่มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆมันเป็นรักกายอ่งนนง า, า, างนั้ น, นมีในลักษณะที่เป น, น, นอย่างั้นข้ามไปตางนี้อืมโลกธาตุไหลเลยนี่อวิชาแักๆอืมขราท เหมือนผ้าหนงเทอลเข้าไปนั่งไปนอนทั้งคืนกลางทั้นาากางตัวางคนคือผมไม่ไหน้องเป็นนั้นอะไรมบวอายุของน้องปู่ขาอยู่ว่าเท่านี้ก่อน เราไปนั่นไปเรานั่นตัวโบเป็นเหยื่อต่างตนะตัวโบก็คือเราเนเหยื่อมือนเ็นท่เน่ดีนิมนุ์มนที่มนย์มันการถาม่ะาไปมาไปไปนิมนุย์มนนุษยนิมนย์นไปนิไปแล้วไปแล้วก็กลับมาบ่อเนี่หวานนั่นนะเออโอเคนี่ะเป็นนิมนุ์ข้างเนี่ยเขามาปั๊บเขามีถามปุ๊บนี่นิมนุษย์มนุ์ตัวโบเบาตัวบไปตัว่บไปตัวโบไอะไรนะ โอมาแล้ว้พูดอย่างนี้เหมือนกันตนนี้คือกงกลับกรบอกน่อ่าพะอาจารย์ถามระราษฎว่าท่านทนอบัวไปาหลงพ่อไปท่านจะไปไปท่านไปทานดีแล้วหลวงพ่อไปก่อนเตรียมทุกสิ้วสุดท้ายตายแบบชุดวัดเลยว่าวัดท่านหลวปเวทอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถือกันมากเลยไล่ไเรือยนตัว นอตังผมมึงนายในจิตกันนิมท้อมยังคุ้นกันได้นะพูดตรงนะวางเหมือนอาวันนี้เล่าผมตั้งแต่แม่กอไก่ปรการมาเิยแบบไม่ต้องติดบางผมนะอพอคืนก็เหมือนเครื่อเหมือนเครื่องแ่อาอาล้าอาบถ้าล้วก่อนล่เหมืนดิี้เกาะกนตาสองแบบสร้างขเมือนเดิมตั้งคันตอนนี้มบอกวันนี้นิพ่อไม่ต้องไปงานั้นผมทาแทนได้หมด เาเราหั้นะคือนทาล่าให้ัเไปนล่าไปเขจะถึงจุดนันหรอเฮ้ยอยู่ๆหนึ่ง่ามาด้วยเดินไปถึงจุดนั้นไปดิเล่าไปที่นี่อะไรมีนี้มีนี้ราตกใจอันนี้เอาที่นี่ลังวาดย เดเออเข้าใจแวาจ้อืมคอนาเอาไปงวันนี้เอาเลยนะมีกว้างฟังอะไรละแคบนิดเดียวกว้างมันแหลเลยนะอันนั้นเป็นเป้าหมายกว้างลงนั้นนะผมมีประหน้าที่แก่เองยยารถไฟส่งพิธีแก่อนนหนนอยอนังไม่รู้เหนยไรือว่าอะไรแบ คือเจ้านั่งนอนไม่ได้ออกที่นะ่นนัอนเสียงุ๊กัดกนเลยพอสว่างเมัใหม่เสียงใครมาเราไม่มีเสตัวอนุกพรขึ้นมาเหอ้ามาควรอะไรไม่ติดตไทนัหลผมนไอ้ันต้อวร้าบคาเอาขึ้นมาเลยมาสั่งเาย เนี่ยเป็นงเราล่าฟังอ้โหขอก่าเงาก่าทีนี้เฮ้ยข้อก่ามันเรื่องก่าตอนไหนงขึ้นผ็ไม่นอนนี่เก่าตอนไหนัเพื่อต้เพื่อนเหมือนึงคุ้นใครเนาะมันแบบมันต้งิก็ปีเริงไแบบนี้มันต้งสิกปีนะขึ้นมาเถิดถเลยเล่าให้ฟังอ่ะเป็นไงเป็นไงผ้าดีขึ้นมาไปถึงนั่นเหอไตันนั่น เป็นท่อาจารย์วากขุดกัะนลงตรงนั่นเลยหรือไม่น่าหน้าหวังแสดว่าคานุติขาดมีท่านเล่าอ่งนี้ก่อนนะเพิ่มตรงทีเดียวแล้วนะว่าเป็นคานุติขาดลงไปฉั้นเราโคลงเป็นกองอยู่พื้น แต่มันปรากฏว่าเจ็บเั็นตัวอะไรนะนี่พ อ, พอพอพอขนาดนั้นนะ่ะคือว่าคานวิจิขันนี่ไงมันไม่ใช่หักมันขาดตั้งแม่เลยย้วจถึงถีขึ้นถึงย้ออกมาพอออกมาแล้วลื ม, ม, มใช้เนราะมันดีเอมันจะคานวิจิหักคานวิจิขาอยานี้อ๋อมันขาดแล้วิ ช, ชา้มาเป็นมันอัศจรรย์เลยเนี่ย เร่งหนังมาวากรานะการ้กิบัตกรการปฏิบัติาทําทำผสมการกินการกินคุณการเป็นคนรำนำของการกินราดทำการผู้ให้อุบายสีไม่นอนเลยมันเพิดมันเปิมันอะไรพูดไม่ถูกนี่ลูกที่กัไมนะผมไม่นอนเลยคุณอ เราะน้มันก็มนจะเกาะมาได้อยู่ได้ติดได้แต่รานั้นก็มีภูมิัญญาเรกันอยู่ตั้งามันจะแกกันสุดหย่อนมันส่องนขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขนนขนขึ้นขึ้นนน้ มย่างนีคือเอาไปขับเรงน้อยยแ่ผมมันเ็มอยูแล้วน้อยแยกอข้าไปังได้ตอบถึงพักเลยสินาทีผมแยกเข้าไปอาวหนูเสียงรั้นหนูถึงขังตึงตึงโอดออกรวดลายเต็มที่นั่นพลังของคำนั้นถึงตึงตึงถึงตึ้ พอจบแล้วนะผมผิดตรงไหนคข้ามนะก็ผมไม่ท้ามาทำนะวันนี้่ายใจเพราะปัญหาที่ถามถ้ามันไม่ยื่นต่อไม่น่ามันปัญหาที่ปัญหาเคลียรเคืียร์ถ้ามันเคลียร์ตรงนั้นต่อได้ การทีษษ่จะสาฟันมันเป็นต้น ม, มักมัถอยกันกถอยมันรัถอย น, น า, า้อาบไปไปนี่แต่เือความก่อนทังกิเลสท้ง น, น, น, นั้นนั้นมันแท่อยูทุกระยะทุกหุ่นขมทุกขนาดอีกหนึนแล้วไม่ตก่อนเราก็ไม่ชัอดว่ากิเลสมันเป็น เวลาไปต่อสื้กันมาสุดพัดสเดยนมันจะ่นเตนโอ้มันแซ่บมาก้าปิมานกับไทยก็ชอนแล้วซะจนเนี่ยไม่ผิวขรงนอกขงคนมันเป็นโพรงมัดเอาหลมเป็นผีเป็นโพงหมดในต็องเายิ่งนิ่งมาคนของไม่ทนทาน โอ้ยมันแหลบเลยปุ๋ยเลยฝนไปแล้วมืนกระแสนทนเพราะจิตมันไม่ตายทุกขนาดไหน ม, มันกัทนไดมทนไดไม่ตายทุกเขยอมรับว่าทุกมากทุกมากเขายอมรับว่าทุกแต่มันไม่ตายมนไม่คิดมันต้อทนมาได้ขนานี้เพราะอำนาจกิเลสทั้งนั้นจว่าเหยียบย่ำทั้ ง, งหลายไม่ใช่ความน่าอะไร เวลาลืม่าถอนออกมือคุณเป็นพี่เป็นพลายอยู่หมดทั้งตัวทั้งใจเป็นหมดคุณจะถอนมัอนออกได้หมดเป็นหมดคุณบอกว่าเอาตายละว่ะ่าไปเยยาไปถอยขนในการถอนถ อ, อนมัอนออกเลีวยแงคืออะไรพิเรนไม่ได้มีเศษเวลาถอนถอนมันออกแล้วมีเศษปิดหนักจิตที่พิเรครอบหัวมันอยู่มันก็ไม่มีเศษ ตัวที่เหลืมันเป็นของต่างชาติคือก็ต่างชาตไปด้วยถอนมัอนออกอหมดโดยท้่เชิง น, นะมันพิเศจนะันพิเศษเวลาเป็นเกี่ยวขึ้มาตามมอไม่พูดอย่างนั้นก็จไม่ได้ผลบางทีมนมันี่จไม่ออกเท่าผมพูดตามอารมณ์ผม การ่าตัาาังนี้มากที่จะได้มากนะเปียถ้าอานงเขาากกันอีค hey, ร okay, okay. okay, okay, okay, so ั้ง okay. ีภามาสององค์นมากตดหนาติดหนมอยู่อวกมไปดูไปก่นนะราจะไม่รับมีการ รับแลกกัมาศึกษาให้การศึกษาแล้วก็ให้ทั้งผู้หญิี่ทั้งผู้ชายเอาหูเอาตามาัาเอาใจมาด้วยการสอนการสอนก็ตีหูตีตาตีใจ ม, มองอลไรั่ก็เป็นเค ร, รื่องทำสอนหถ้ามาด้วยการศึกษาทําไมมาแบบหมขูขึ้นเขวนันต้องรู้ต้องเข้าใจนว่าทำยังไงดูก็รู้ นักธรรมอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยอะไรก็อยู่ด้วยกันเป็นฐานศึกาม้าคิดมากที่เห็นมา